เจ้าปยาสิปรัสเล่าว่าพระองค์เคยสั่งคนให้ทําความดีว่าถ้าไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วขอให้กลับมาบอกด้วยพวกนั้นรับทําแล้วก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยจึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นจะมีจริงพระเถระทูลว่าร้อยปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทพชั้นดาววดึงผู้ที่ทําความดีได้ไปเกิดที่นั่นคิดไว้อีกสักสองสามวัน จะไปบอกพระเจ้าปยาสิจะมาบอกพระเจ้าปยาสิจะมาบอกได้หรือไม่พระเจ้าปยาสิตรัสตอบว่ามาไม่ได้เพราะข้าพระเจ้าคงตายไปนานแล้วแต่ก็ใครจะบอกท่านล่าว่าเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนขนาดนั้นข้าพระเจ้าไม่เชื่อเลยพระเถระทูลว่าเปรียบเหมือนคนที่ตาเสียแต่กาเนิด มองไม่เห็นอะไรเลยจึงกล่าวว่าสีดำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงไม่มีจริงคนที่เห็นสีเช่นนั้นก็ไม่มีจริงดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่มีผู้ที่เห็นดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่มีจริงเพราะข้าพเจ้าไม่รู้และไม่เห็นสิ่งนั้นนั้นจึงไม่มีจริงดังนี้ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่ากล่าวชอบแล้วหรือไม่พระเจ้าปยาสิตรักว่ากล่าวอย่างนั้นไม่ชอบพระติระ จ, จึงทูลว่าพระองค์ที่ปฏิเสธเรื่องเทพชั้นดาวดึงก็เป็นเช่นนั้นสมณพราหมณบางพวกที่เสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ประมาททำความเพียรได้ตาทิพย์มองเห็นโลกนี้โลกอื่นและสัตว์อุป ป, ปาติกะด้วยตาอันเป็นทิพย์เหมือนตาของมนุษย์ มีอยู่เรื่องของโลกอื่นพึงเห็นอย่างนี้จึงไม่พึงเข้าใจว่าจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อธรรมดานี้พระเจ้าพยาสิตรตัสเล่าว่า พระองค์เคยเห็นพวกที่มีศีลมีธรรมอัน ง, งามรักชีวิตไม่อยากตายชอบความสุขเรียดทุกข์จึงคิดว่าถ้าพวกนี้รั้วตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้ก็ควรจะกินยาพิษเชือดคอตายผูกคอตายหรือโดดเหวตายแต่เพราะไม่รู้วตายแล้วจะดีกว่าชาตินี้จึงรักชีวิตไม่ยอมฆ่าตัวตายข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ไม่เชื่อว่า โรคอื่นมีจริงเทวดามีจริงผลของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงพระเถราจึงทูลเปรียบเทียบว่ามีพรามณ์คนหนึ่งมีภรรยาสองคนคนหนึ่งมีบุตรอายุสิบปีหรือสิบสองปีส่วนอีกคนหนึ่งมีคันจนจะคลอดพราหมณนั้นตายลงมานพผู้เป็นบุตรจึงได้พูดกับมารดาเลี้ยงว่าทรัพสมบัติทั้งปวงนี้ต้องตกเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมด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 ผาท้องเพื่อจะดูว่าเด็กในท้องเป็นชายหรือหญิงเป็นการทําลายตัวเองทําลายชีวิตทําลายเด็กในท้องและทําลายทรัพย์สมบัติเพราะเป็นผู้โง่เขราสแสวงหาสมบัติโดยไม่แยบคายจึงถึงความพินาศพวกผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ฉลาดย่อมไม่ชิงสุปก่อนสุกย่อมรอจนกว่าจะสุกท่านมีชีวิตอยู่นานเพียงใด ผู้อื่นก็ได้ประสบบุญมากเพียงนั้นและท่านก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกู้กูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าพยาสิตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้โดยให้ส่งลงไปในหม้อทั้งเป็นปิดฝาแล้วเอาหนังรัด เอาดินเหนียวที่เปียกยาให้แน่นยกขึ้นเตาแล้วก็จุดไฟเมื่อรั้วาตายแน่แล้วก็ให้ยกลงหม้อกระเทาะดินที่ยาออกเปิดฝาค่อยๆมองดูเพื่อจะได้เห็นชีวะของโจร น, นั้นแต่ก็ไม่เห็นมีออกมาเลยจึงไม่เชื่อว่ามีโลกอื่นพระเทวทูลถามว่าพระองค์เคยนอน หลับกลางวันแล้วฝันเห็นสวนป่าภูเขาสถานที่ต่างๆหรือไม่พระเจ้าปยาสิตรัสว่าระลึกได้ว่าเคยเห็นในฝันอยู่พระเถระถามว่าแล้วในสมัยนั้นมีคนหรือเด็กๆเฝ้าพระองค์อยู่หรือไม่พระเจ้าปยาสิตรัสตอบว่ามีผู้เฝ้าอยู่ พระเทราถามว่าพวกที่เฝ้าพระองค์อยู่ได้เห็นชีวะของพระองค์เข้าออกหรือไม่พระเจ้าปรยาสิตรักตอบว่าไม่เห็นพระเทราชจึงทูลว่าคนมีชีวิตยังไม่เห็นชีวะของพระองค์เข้าออกและฉไหนพระองค์จะทรงเห็นชีวะของคนตายเข้าออกได้เล่าพระเจ้าปรยาสิตรัสแย้งต่อไปว่าเคยสั่งลงโทษโจรที่จับได้ โดยให้ตัดผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูชีวะก็ไม่เห็นชีวะจึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีเป็นต้นพระเทวราทูลเปรียบเทียบว่ามีเด็กอายุได้สิบปีอาศัยอยู่กับนักบวชผู้บูชาไฟอยู่มาวันหนึ่งนักบวชนั้นจำต้องไปทุรักพักแรมในที่แห่งหนึง่งจึงเรียกเด็กมาสั่งให้บูชาไฟ ให้ไฟติดอยู่เสมออย่าให้ดับถ้าไฟดับมีดอยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้สีไฟอยู่นี่จงจุดไฟให้ติดแล้วบูชาไฟต่อไปเมื่อสั่งเสร็จและไปแล้วเด็กโมลเล่นเพลินไปไฟก็ดับเด็กก็คิดถึงคําสั่งจึงเอามีดมาถากไม้สีไฟเพื่อหาไฟก็ หาไฟไม่พบจึงผ่าไม้สีไฟออกเป็นสองซี่สามซี่จนถึงยี่สิบซี่ทำเป็นชิ้นชิ้นใส่ครกต่าแล้วก็เอามาโรยที่ลมด้วยหวังว่าจะได้ไฟแต่ก็ไม่ได้นักบวชนั้นกลับมาเห็นเช่นนั้นถามก็ได้ทราบความแล้วจึงคิดว่าเด็กนี้ยังอ่อนยังไม่ฉลาดหาไฟโดยไม่ถูกวิธี และจะพบไฟได้อย่างไรจึงเอาไม้สีไฟมาสีให้เด็กดูถึงวิธีทําไฟให้ติดพระองค์ก็เช่นเดียวกันกับเด็กทรงหาโลกอื่นโดยไม่ถูกวิธีในที่สุดได้แนะนําให้พระเจ้าปยาสิทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียแต่พระเจ้าปยาสิก็อ้างว่าทรงสละไม่ได้เพราะใครๆก็รู้กันว่าพระองค์มีความคิดเห็นแบบนี้ คนอื่นเขาจะติเตียนเอาได้พระกุมารกัสปะเถระจึงยกอุปมาขึ้นอีกดังนี้เปรียบเหมือนชายเลี้ยงหมูคนหนึ่งไปที่หมู่บ้านอื่นเห็นอุจระแห้งที่เขาทิ้งไว้เป็นอันมากก็คลีพ่พ้าคลีพ่พ้าหงอกเอาอุจระแห้งใส่แล้วก็ทูลเหนือศีรษะมาในระหว่างทางฝนตก อุจระแห้งนั้นก็ไหลเลอะเทอะเปลือบไปตามตัวเขาคนทั้งหลายจึงว่าเป็นบ้าหรือไรจึงเอาอุจระห่อมาทําไมเขากลับตอบว่าท่านทั้งหลายนั้นตั้งหากที่บ้าเพราะของที่แบกมานี้เป็นอาหารของหมูพระองค์ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสเถิดเปรียบเหมือนมีนักเลงสกาสองคน เล่นสกากันคนหนึ่งยอมกลืนลูกโทษที่มาถึงตัวหมายถึงลูกสกาที่ทำให้แพ้อีกคนหนึ่งบอกว่าท่านชนะเรื่อยข้างเดียวเราขอลูกสกาเอาไปทำพิ ธ, ธีบ้างคนชนะจึงส่งให้นักเลงสกาคนที่สองจึงแอบเอายาพิษทาที่ลูกสกาแล้วก็นำกลับมาเล่นเล่นกันใหม่ นักเลงสกาคนแรกก็กลืนลูกโทษที่มาถึงตนอีกและเขาก็ตายลพราะกลื่นเอายาพิษเข้าไปด้วยพระองค์ก็เปรียบเหมือนนักเลงสกาที่กลืนยาพิษเข้าไปพร้อมกับลูกสกานั้นด้วยขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดเปรียบเหมือนชายสองคนชวนกันไปยังชนบทเพื่อหาทรัพย์ไปพบป่านในระหว่างทางก็ห่อป่านนั้นเดินทางไป ครั้นไปพบได้ที่ทอจากปานคนหนึ่งเห็นได้มีราคากว่าจึงทิ้งปานแล้วก็ห่อได้ไปแทนแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งของเดิมโดยถือแบกมาไกลแล้วก็ผูกรัดไว้ดีแล้วสองคนจึงเดินทางต่อไปพบภาพเปลือกไม้พ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกเงินทองคนหนึ่งทิ้งของเก่าและเอาของใหม่ที่มีค่ากว่า แต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งของเก่าโดยถือว่าแบกมาไกลแล้วผูกรัดไว้ดีแล้วเมื่อสองคนกลับไปถึงบ้านบุตรภรยาเพื่อนฝูงของผู้แบกป่านนั้นก็ไม่ชื่นชมในความคิดความเห็นและการกระทำของเขาแต่บุตรภรยาเพื่อนฝูงของผู้แบกห่อทองกลับมาต่างก็ชื่นชมในตัวเขาพระองค์ก็เป็นเหมือนผู้แบกห่อป่าน ขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดพระเจ้าปยาสิทรงเลื่อมใสในพระกุมารกัสปะเทระและทรงสลรเสริญในคำพาสิทนั้นและประกาศพระองค์เป็นอุบาสกยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและทรงถามถึงวิธีบูชายันซึ่งพระเทระก็แนะนำวิธีบูชายันโดยไม่มีการฆ่าสัตว์ พระเจ้าปยาสิก็ทรงปฏิบัติตามโดยให้มีการสมเคราะห์ช่วยเหลือคนยากไร้ให้ได้รับความสุขมากขึ้นส่วนเสริมจากพระสูตรนี้ เราจะเห็นได้ว่าคนในยุคก่อนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกอื่นนรกสวรรค์เทวดาก็มีและเขาก็พยายามหาคำตอบแต่บางครั้งหาคำตอบโดยไม่ถูกวิธีจึงเชื่อตามความคิดของตนเองถึงเวลาจะผ่านมา250กว่าปีแล้วก็ตามก็ยังมีคนที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องโลกอื่นนรกสวรรค์เทวดาอยู่เหมือนคนในยุคก่อนก็จัดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความเชื่อ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ยากแต่ถ้าความเชื่อใดส่งผลเป็นกุศลนำมาซึ่งความสงบเย็นในด้านจิตใจก็ควรเชื่อแต่ว่าถ้าความเชื่อใดส่งผลเป็นอกุศลนำมาซึ่งความทุกข์ใจก็ไม่ควรเชื่อเพราะบางอย่างเราก็เคยมีทั้งคิดถูกและคิดผิดมาแล้วด้วยกันทุกคนบางเรื่องที่เรายังไม่รู้แน่ด้วยตนเอง ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อในเรื่องนั้นแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธว่าเรื่องนั้นไม่จริงควรรับฟังเอาไว้ก่อนและให้บอกกับตนเองว่ามันไม่แน่เหมือนกันอาจเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้อย่างเรื่องโลกอื่นรกสวรรค์เทวดาบุญบาปผลของบุญบาปเรื่องอย่างนี้เราไม่ควรเชื่อแบบงมงายว่ามีจริงหรือไม่จริง หรือปฏิเสธแบบไร้เหตุผลเพราะถ้าบางคนไม่เชื่อและปฏิเสธแบบไร้เหตุผลจนเกิดความไม่เกรงกลัวต่อบาปและบุญก็ไม่สนใจที่จะสะสมแต่บาปเรื่องผิดศีลก็ทําอยู่บ่อยๆใครจะเดือดร้อนลําบากอย่างไรก็ไม่สนใจขอให้ตนเองและพวกพ้องได้สนุกสนานสะใจพอใจเท่านั้นเป็นพอถ้าเป็นอย่างนี้สังคมและโลกก็วุ่นวายได้ง่าย พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าทาสองประการ น, นี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกทําให้โลกอยู่กันอย่างสันติสุขทาสองประการ น, นี้คือหนึ่งหิริความละอายใจต่อการกระทาที่ไม่ดีที่ไม่เหมาะสมสองอดตับปากความเกรงกลัวต่อบาปกรรมและความชั่วต่างๆสีนั้นเป็นพื้นฐานของความดีและทําคนให้เป็นคนดีทั้งเป็นเหตุให้เกิดความสุข และส่งเสริมให้จิตเกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยสเจศีลเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการรักษาศีลหรือการทำผิดศีลนั้นต้องดูที่เจตนาเป็นเกณฑ์แต่ผู้ที่มีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นโอกาสที่จะทำผิดศีลหรือว่าทำในสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องนั้น ก็ยากเช่นสีงข้อหนึ่งการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และประทุษร้ายซึ่งกันและกันถ้าทุกคนเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องเวรกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมรู้ว่าถ้าเราไปฆ่าหรือไปทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ผลของกรรมนั้นจะต้องมาตอบสนองเราให้ได้รับความทุกข์ความลําบากใจในอนาคตเมื่อเรารู้แล้ว และมีความเกรงกลัวต่อบาปเราก็ไม่อยากจะฆ่าหรือทำร้ายใครๆในสังคมในโลกถ้าไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ว่าคนหรือสัตว์สังคมในโลกก็จะสงบสุขมากขึ้นกว่าทุกวันนี้ศิลข้อที่สองการงดเว้นจากการลักขโมยและคดโกงถ้าคนที่คดโกงหรือว่าลักขโมยของของผู้อื่น จิตเกิดความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะกระทาเขาคนนั้นก็จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีงามและไม่ถูกต้องแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีความละอายแก่ใจและไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเมื่อเขามีโอกาสเขาก็จะลักขโมยและโกงไปตามอำนาจกิเลสความโลภของเขา ศีนข้อสามการงดเว้นจากประพฤติผิดในกรรมถ้าคนนั้นเขาเชื่อว่าการทำผิดศินข้อนี้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมจะส่งผลมาถึงความทุกข์เขาก็จะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมและรู้สึกละอายใจที่ได้รังแกผู้อื่นแต่ในช่วงที่เขาทำผิดนั้นใจเขาไม่มีความละอายและไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเขาก็จะหลงทำผิดไปตามอำนาจกิเลส คือความอยากที่จะสะสมอยู่ในใจของเขาสีลงข้อสีการงดเว้นจากการพูดโกหกและหลอกลวงผู้มีสติมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมเวลาที่เขาพูดและเขาจะรู้ว่าสิ่งที่จะพูดนี้เป็นจริงหรือโกหกหลอกลวงถ้าเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงจิตเขามีความละอายและมีความเกรงกลัวต่อบาปเขาก็จะไม่กล้าพูดโกหกหรือหลอกลวงใค ร, ใคร พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังชอบพูดโกโหกหลอกลวงอยู่ผู้นั้นไม่ทำความช่วยอย่างอื่นอีกเป็นไม่มีสิ่งข้อห้างงดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิดถ้าเราเชื่อว่าการดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิดนั้นเป็นบาปเป็นกรรมและจะต้องตกนรกคำว่านรกในที่นี้คือนรกในชาตินี้และนรกในชาติหน้าอันความทุก ในนรกชาตินี้ชาติหน้านั้นท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกว่ามีความทุกข์อย่างมากมายแต่พิสูจน์กันได้ยากและแต่ความเชื่อก็ยกไว้ก่อนแต่นรกในชาตินี้ก็คือผลของความชั่วที่ทําให้เกิดความทุกข์กายทุกใจนั่นเองเช่นเวลาเมามากๆจะอาเจียนปวดศีรษะและอ่อนเพลียเมาจนขาดสติสุขภาพเสื่อมโทรม โรคภัยมากขึ้นเวลาเมาก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวบางครั้งเมามากๆเมียลูกและคนอื่นก็ดูถูกเย็ดยามเสียศักดิ์ศรีเสียเงินทองหมดไปกับสุราทีละเล็กทีละน้อยอันสุรายาเสจติดนั้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่ามันมีโทษอย่างมากมายแต่ว่าคนโง่ก็ยังยอมเป็นทาสมันและคงมีอีกนานเท่าที่คนโง่ หลงยังอยู่แต่ถ้ารู้ถึงโทษภัยของสุราและสิ่งเสพติดนี้ทั้งเรามีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมด้วยจิตใจเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นจนลดมันได้ในที่สุด